กไนห้าร้อยเจ็ดสิเอ็ดณเหตุปัจจัยกับนิสยาปัจจ ah ัยมีสิบสามวาระณอารมะณะปัจจัยละถึงมีสิบสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบสามวาระณอนันตระปัจจัยมีสิบสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสิบสาวาระณสหชาตะปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีเจ็ดวาระ นอุปาณิยัปปัจจัยมี13าวาระนปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระนปัชชาชาตะปัจจัยมี13าวาระนอาศวนปัจจัยมี13าวาระนกรมมปัจจัยมี13วาระนวิปากปัจจัยมีสิบสาหารปััจจยมี13วาระนอินทรียปัจจัยมี13าวาระนาชานะปัจจัยมีสิบสาวาระ ณมัคคปัจใจมี13วาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีเจดวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมี13วาระโนวิคตะปัจจัยมี13าวาระนิสยะมิสกะคตานาห้2น้เหตุ ป, ปัจจัยกับปัจใจสามเคยนิสยะอัตถิและอวิคตะมี13วาระ ณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสิบสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสิบสามวาระณอนันตรปัจจัยกับมีสิบสามวาระณสมณันตระปัจจัยกับมีสิบสามวาระณสหชาติปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีเจดวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีสิบสามวาระณปุเรชาติปัจจัยกับมีเ้าวาระ ณปัจฉาชาติปัจจัยกับมี13าวาระณเอเสวณปัจจัยกับมี13าวาระณกรรมปัจจัยกับมีสิบาวาระณวิปากปัจจัยกับมีสิบาวาระณอาหาราปัจจัยกับมี13าวาระณอินทรียปัจจัยกับมีสิบสามวาระณชานะปัจจัยกับมีสิบสามวาระนมัคคปัจจัยกับมีสิบสามวาระ ณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีเจวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสวาระโนนาธิปัจจัยกับมี13วาระโนวิคตะปัจจัยกับมี13วาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยสี่คือนิชยะอธิปติอธิและอวิคตะมี8วาระณอารมณะปัจจัยกับละถึงมี7วาระณอนันตระปัจจัยกับมี8วาระ ณสมนันตระปัจจัยกับมี8วาระณสหชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสี่วาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีเจวาระณปุเรชาตาปัจจัยกับมีเจวาระณปัจฉาชาตาปัจจัยกับมี8วาระณอาศัยวะณปัจจัยกับมี8วาระณกรรมปัจจัยกับมี8วาระณวิปากปัจจัยกับ มี8ดวาระณอาหารปัจจัยก ups ับมี8วาระณอินทริยะปัจจัยกับมี8วาระณชานะปัจจัยกับมี8วาระณมัคคปัจจัยกับมี8วาระณสัรพยุติปัจจัยกับมีสวาระณวิปยุติปัจจัยกับมีสวาระโนนัตถิปัจจัยกับมี8วาระโนวิคตาปัจจัยกับมี8วาระ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัยสี่เคยนิสยะอินทรียะอัตถิและอวิภตะมีเจ็ดวาระณอารรมณ ป, ปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีเจดวาระณสหาชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีสามวาระ นอุปาณิสยปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาปชาชาตปัจจัยกับมีเจดวาระนาอาศวณัปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนกรรมะปัจจัยกับมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับมีเจดวาระนอาหารปัจจัยกับมีเจดวาระนาชานะปัจจัยกับมีเจดวาระนมัคคะปัจจัยกับมีเจดวาระ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 นะอนันตระปัจจัยกับมีห้าวาระนะสมนันตระปัจจัยกับมีห้าวาระนะสหชาตปัจจัยกับมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับมีห้าวาระนะอุปาณิชยปัจจัยกับมีห้าวาระนะบุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนะปัจฉาชาตปัจจัยกับมีห้าวาระนอาศวนปัจจัยกับมีห้าวาระนากรรมปัจจัยกับ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 ณเฮตุปัจจัยกับปัจจัย5้าเคนิสยะอธิปติวิปยุตตะอธิและอวิคตะมีสี่วาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสาวาระณอนันตระปัจจัยกับมีสี่วาระณสมนันตระปัจจัยกับมีสี่วาระณส ห, าหาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับมีสี่วาระ ณอุปาณิสยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีสีวาระณอเสวณปัจจัยกับมีสี่วาระณกรรมะปัจจัยกับมีสี่วาระณวิปากปัจจัยกับมีสี่วาระณอาหาระปัจจัยกับมีสี่วาระณอินทรียะปัจจัยกับมีสี่วาระ นาชานะปัจจัยกับมีสี่วาระนมัคคะปัจจัยกับมีสี่วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสี่วาระโนนัธิปัจจัยกับมีสี่วาระโนวิคตตปัจจัยกับมีสี่วาระนเหตุถูปัจจัยกับปัจจัย5เคนิสยะอินทรียะวิปยุตตะอัถิและอวิคตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกลับและถึงมีสามวาระ ณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระณอุปนิจจยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาติปัจจัยกับมีสามวาระณอาศวะณปัจจัยกับ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 ปะ ก, กินนกะคาตานาห้า้เจดบสานัเหตุปัจจัยกับปัจจัยห้าคือนิสยาบุเรชาตะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระนัาอารามณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนัอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนัาอานันตระปัจจัยกับมีสามวาระนัสมนันตระปัจจัยกับมีสามวาระ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 นาอินทริยปัจจัยกับมีสามวาระนชาณะปัจจัยกับมีสามวาระนมัคคะปัจจัยกับมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย6คือนิสยาอารมณะปุเรชาตะวิปยุตตะอธิ ละอวิคตะมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสหชาตะปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญามัญญะปัจจัยกับมีสามวาระณอุปาทิสยปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีสามวาระ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 โนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจแปดเคนิสยะอารามณะอธิปติอุปานิสยะปุเรชาตะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอนนนตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณสมณันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสหาชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาศุวนะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปากะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชาณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับ มีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัตตจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคือนิสยาปุเรชาตะอินทรียะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะามีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับ มีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสมณันตระปัจจัย sí กับมีหนึ่งวาระณสหชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเศวณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณกรมมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ณวิปากัปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมบัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนะิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิภัตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสหชาตคัตนา5้าเจ็ิสี่ น well เห<ป>ตุปัจจัยกับปัจจัยสี่คือนิสยะสหชาตะอัติและอวิคตะเมียเก้าวาระนอารามณะปัจจัยกับละถึงเมียเก้าวาระนอธิปติปัจจัยกับเมียเก้าวาระนอนันตระปัจจัยกับเมียเก้าวาระนสมนันตระปัจจัยกับเมียเก้าวาระนัอัญญามัญญปัจจัยกับเมียห้าวาระนอุปนิสยาปัจจัยกับ เมฆ้าวาระนาปุเรชาติปัจจัยกับเมฆ้าวาระนปัจฉาชาติปัจจัยกับเมฆ้าวาระณาอาศวะณปัจจัยกับเมฆ้าวาระนกรรมปัจจัยกับเมฆ้าวาระณวิปากะปัจจัยกับเมฆ้าวาระณอาหาระปัจจัยกับเมฆ้าวาระณอินทรียะปัจจัยกับเมฆ้าวาระณาชานะปัจจัยกับเมฆ้าวาระ นามัคคะปัจจัยกับมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถะปัจจัยกับมีเก้าวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเก้าวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยห้าคือนิสยะสหาชาตะอัญญมัญญะอัตถิและวิคตะมีสามวาระณอารมณะปัจจัยกับ ละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอันันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอเสวนาปัจจัยกับมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับ มีสวาระณ ว, ว, วิปากะปัจจัยกับมีสวาระณอาหาระปัจจัยกับมีสวาระณอินทรียะปัจจัยกับมีสวาระนชานะปัจจัยกับมีสวาระนมัคคะปัจจัยกับมีสวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสวาระโนนัติปัจจัยกับมีสวาระ นวิคตตปัจจัยกับมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจหกเคนิสยะสหาชาตะอัญญามัญญะสำปรยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระณอาระมณะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอันันตระปัจจัยกับมีสามวาระ นสมณันตระปัจจัยกับมีสามวาระนอุปาณิสยปัจจัยกับมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระนอเสวนะปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระ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 นอา ร, รามณปัจจัยกับละถึงมี Even สามวาระนอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระนสมนันตรปัจจัยกับมีสามวาระนอัญญามัญญปัจจัยกับมีสามวาระนอุปนิจญาปัจจัยกับจะมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับมีสามวาระ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 มีสวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระน่าเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือนิสยะสหชาตะอัญญามัญยญวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนาอะอรมณะปัจจัยกลับและถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระน่ะอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ณสมมณันตะปัจจ sure> ัยกับมีหน hmm. ึ่งวาระณอุปาิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเสวนาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรมมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปากะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นอินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจ <use> จ <ka> ัยก <ks ka> ับ <pantry> มีหนึ <ka> ่งวาระนมะฆะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิปากะห้านเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือนิสยาสหชาตะวิปากะอัตติ ละอวิคตะมีหนึ่งวาระณนะอารณมณปัจจัยกลับลมีหนึ่งวาระณนะอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณนะสมณันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณนะอัญญมัญญะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณนะอุปนิสัยปัจจัยกับมีหนึ่งนะวาระณปุเนระชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 นอ ian, pas, bon desse, of of ุปน ja er ิจญาปัจ <microwave> จัยกับมีหนึ่งวาระนปุเรชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัจชาชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาสีวะนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับ มีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ดเคนิสยะสหาชาตะอัญญมัญญะวิปากะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ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 านาปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัชชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาอเสวณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมยุญตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ โนนัตถ์ปัจจัยกับมีหน aura, uh pues seven, aya, aya, ett, field, um, ึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ดเคนิจยะสหชาตะอัญญามัญญะวิปากะวิปยุตตะอาธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นาสมมณันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปเรชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปช้าชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาศิวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนากรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นามค่าปั จ, จัยกับมีหนึ่งวาระนสัมบยุตตะปัจใจกับมีหนึ่งวาระโนนัธิปัจใจกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะหนิสยะมูลกะในจก ปานิสยะทุกกนในห้า้อยเจ็ดห้าณเหตุปัจจัยกับอุปานิสยะปัจดใจมีฆาวาระณอารมณปัจจัยละถึงมีฆาวาระณอธิปติปัจดใจมีฆาวาระณอนันตระปัจดใจมีฆาวาระณสมณันตระปัจดใจมีฆาวาระณสหาชาต ะ, ะปัจดใจมีฆาวาระณอัญญามัญญปัจดใจมีฆาวาระ ณนิสยาปัจจัยมีฆ้าวาระณปุเรชาตะปัจ <ieron> จัยมีฆ้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีฆ้าวาระณอเสวณัปัจจัยมีฆ้าวาระนกรรมปัจจัยมีฆ้าวาระณวิปากปัจจัยมีฆ้าวาระณอาหารปัจจัยมีฆ้าวาระณอินทริยปัจจัยมีก้าวาระณชานะปัจจัยมีฆ้าวาระนมขะปัจจัยมีฆ้าวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยเมฆ้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยเมฆ้าวาระโนอธิปัจจัยเมฆ้าวาระโนนัติปัจจัยกับอุปนิสยปัจจัยเมฆ้าวาระโนวิคตะปัจจใจละถึงเมฆ้าวาระโนอวิ en, ai, คตะปัจจัยเมฆ้าวาระอุปนิสยาฆตนาห้าร้อยเจ็ tin. ดสิหกณเหตุปัจจัยกับปัจใจสาม อุปนิสยารามะนะและอธิปติมีเจดวาระณอันันตรปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีเจดวาระณสหชาตะปัจจัยกับมีเจดวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีเจดวาระณนิสยปัจจัยกับมีเจดวาระณปุเรชาตะปัจจัยกับมีเจดวาระ นาปัจฉาชาติปัจใจกับมีเจดวาระนาอาศวนปัจใจกับมีเจ็ดวาระนากรรมะปัจใจกับมีเจดวาระนาวิปากะปัจใจกับมีเจดวาระนาอาหาระปัจใจกับมีเจดวาระนาอินทรียะปัจใจกับมีเจดวาระนาชานะปัจใจกับมีเจดวาระนามัคคปัจใจกับมีเจดวาระนสัมบยุตตาปัจัยกับมีเจดวาระ ณวิปยุตตาปัจจัยกับมีเจดวาระโนอัติปัจจัยกับมีเจดวาระโนนาิปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนอวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออุปนิสัยอารามณะอธิปติปุเรชาตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นาอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนาสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสหชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาเนสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาเสวะณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 นัเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคืออุปนิสยาอรามณะอธิปตินิสยาปุเรชาตะวิปยุตตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนัณณัตระปั יה, <Leadership. S 1> ปจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนะนัสมณันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะสัสหชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ น, ะอนะัอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัจฉาชาตะปัปจจัยกับ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 นวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออุปาณิสยะอนันตระสมนันตระนัตถิและวิคตะมีเจ็ดวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณสหาชาตตปัจจัยกับมีเจดวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ นนิสยปัจจัยกลับมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกลับมีเจดวาระนปัชชาชาตปัจจัยกลับมีเจดวาระนอาศิวนปัจจัยกลับมีหวาระนกรรมะปัจจัยกลับมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกลับมีเจดวาระนอาหารปัจจัยกลับมีเจดวาระนอินทรียะปัจจัยกลับมีเจดวาระนาชานะปัจจัยกลับมีเจดวาระ นมะข้าปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณวิบยุตตะปัจจัยกับมีเจดวาระโนอธิปัจจัยกับมีเจดวาระโนอวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออุปนิสยาอนันตระสมนันตระอาสิวะนะนัตถิและวิคตะมีสามวาระ นาอารมณปัจจ sí, <neg> um <antenna and> <ences> ัยกับละถึงมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนาสหชาตปัจจัยกับมีสามวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับมีสามวาระนานิสยปัจจัยกับมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาปัชชาชาตปัจจัยกับมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับมีสามวาระ ณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระณอินทริยะปัจจัยกับมีสามวาระณชานะปัจจัยกับมีสามวาระณมัคคปัจจัยกับมีสามวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนอธิปัจจัยกลับมีสามวาระโนอวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระ นเหตุปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนณิสยะและกรรมะมีสองวาระนอารรมณปัจจัยและถึงมีสองวาระนอธิปติปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนณิสยะและกรรมะมีสองวาระนัอนันตระปัจจัยและถึงมีสองวาระนสมนันตระปัจจัยมีสองวาระนสหชาตะปัจจัยมีสองวาระ ณอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระณนิสยาปัจจัยมีสองวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระณอาศวณปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระณอาหารปัจจัยมีสองวาระณอินทรียปัจจัยมีสองวาระณชานะปัจจัยมีสองวาระนมคลาปัจจัยมีสองวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระโนอัติปัจจัยมีสองวาระโนนาฏิปัจจัยมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยมีสองวาระโนอวิคตะปัจจัยมีสองวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจหกคืออุปนิสยานันตระสมนันตระกัมมะนาถิและวิคตตะมีหนึ่งวาระ นาอารามณะปัจจัยกับละถึงมีหนึ er น่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาสหชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนา mhm. นิจยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปชัชชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาศวะณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นวิปากับปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหารรับปัจใจกับมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนอัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนอวิคตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ปุปานิสยะมูลกะในจบปุเรชาตะทุกขในห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน่เหตุปัจจัยกับปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนะอารรมณะปัจจัยละถึงมีสามวาระ ณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอนันตระปัจจ <achi> ัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนสหชาติปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณนิสยาปัจจัยมีสามวาระณอุปานิสยาปัจจัยมีสามวาระณปัชชาชาติปัจจัยมีสามวาระณอเสวณปัจจัยกับปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระ นกกรรมปัจจัยละถึงมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระณอาหารปัจจัยมีสามวาระณอินทรียปัจจัยมีสามวาระนัชานะปัจจัยมีสามวาระนมรครปัจจัยมีสามวาระนสัมบยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตตะปัจจัยมีสามวาระ ปุเรชาะะตะคตนา5้ารเสิบณเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คือปุเรชาตะอธิและอวิคตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอนนรรันันตรปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันต ร, รนปัจจัยกับมีสามวาระณสหชาตะปัจจัยกับมีสามวาระ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 และอวิคตะมีสามวาระณนะอรมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณนะอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณนะอนันตร์ปัจจัยกับมีสามวาระณนะสมณันตระปัจจัยกับมีสามวาระณนะสหชาติปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีสามวาระ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 นอัญญมัญญะปัจจัยกับมีสามวาระนนิสยปัจจัยกับมีสามวาระนอุปนิสยปัจจัยกับมีสามวาระนาปัชฌาชาติปัจจัยกับมีสามวาระนอาศิวะณปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนอาหารปัจจัยกลับมีสามวาระนอินทร well e. ียะปัจจ vale. ัยกับมีสามวาระ นาชานะปัจจัยกลับมีสามวาระนมัคคปัจจัยกลับมีสามวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกลับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือปุเรชาตะอารมณะนิสยาวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระ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 นเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือปุเรชาตะอารามณะอธิปติอุปนิสยอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนะัอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนะสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะสหชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะอัญญามัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นาปัชชาชาตปัจจกับมีหนึ่งวาระณอเสวนาปัจจกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจกับมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจกับมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจกับมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจกับมีหนึ่งวาระณาชานาปัจจกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจกับมีหนึ่งวาระ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 นสหชาตะปัจจัยก <ucht> ับมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปัชชาชาติป <can> ัจ <Stand> จ <Miller> ัยกับมีหนึ่งวาระนอาศวะนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปากะปัจจ <LAUGHS> <amız> ัยกับมีหนึ่งวาระนอาหารปัจใจกลับมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจใจกลับมีหนึ่งวาระ ณมคข้าปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอณฐิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย6กคือปุเรชาตะนิจยะอินทรียะวิปยุตตาอณถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณ์ปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ นอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสัมมันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสหัชชะตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัชชะชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาศิวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยกับ มีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยก <ification> ับมีหน <ksam> <minist ros Chat> ึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณมคะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระปุเรชาตะมูลกะในจบ